ก่อนเริ่มก็เดี๋ยวถามคำถามกันสักนิดหนึ่งนะใครวหน้ำไม่เป็นบ้างลูกนึนะไม่เป็นปะโอเคดีมากใครวหน้ำเป็นดีมากโอเคที่พูดมาก็คือจะชี้ให้เห็นนะว่า อ, อย่างว้า้น้ำอย่างเงี้ยคนที่ว่น้ำเป็นใช่ไหมกับคนวหน้ำไม่เป็นเนี่ย ก็มีภาพของการว่ายน้ำเนไม่ต่างกันเท่าไหรแ่แหละก็คือลงไปในน้ำใช่ไหมแล้วก็ทําให้ตัวมันลอยโดยใช้ขาโดยใช้แขนแต่คนที่ว่ายน้ำเป็นกับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่ใครใคก็รู้ว่าว่ายน้ำเนี่ยมันจะต้องใช้ขายังไงใช้แขนยังไงอยู่ไปดู youtube ก็รู้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอดูยู u ูปปุ๊บแล้วเราก็กระโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายเป็ดเลยก็ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องอาศัย คนที่คอยบอกหน่อยว่าแต่เทคนิคในการทำมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็นอกจากจะรู้ว่าอะไรเป็นการทาที่มันถูกต้องตามหลักแล้วอะไรที่เราทำแล้วมันไม่ถูกต้องตามหลักแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือชั่วโมงชั่วโมงในการที่เราจะซ้อมอยู่บ่อยๆจากการที่อาจจะแค่ได้แค่ลอยตัวธรรมดาธรรมดาใช่ไหมก็เป็นลอยตัวดีขึ้นสเสถียรขึ้น แล้วก็ไปถึงจุดที่ว่าเริ่มที่จะใช้แขนวกน้ำให้ไปข้างหน้าตีขาให้ตัวของเรามันไปข้างหน้าคอยพยุงตัวเราให้ไม่จมน้ำได้ดีทั้งหมดทั้งมวลก็คือนอกจากที่เราจะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงสิ่งสำคัญก็คือหัดทำมันบ่อยๆหัดทำจนมีทักษะที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเอง การทำความสงบใจก็เช่นเดียวกันนะใครๆก็รู้แหละว่าการทำความสงบใจเนี่ยเราก็ได้ยินมาว่าให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธเป็นต้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นการที่ว่าทุกคนทำแล้วมันจะได้ผลเท่าเทียมกันทีนี้ไอ้ความสงบใจมันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่า พอเรามีความสงบใจมันก็ไม่ค่อยทุกข์มากอันเเวลาเราทำอะไรอะไรเราก็อยากที่จะมีความสุขใช่ไหมแล้วก็เวลาที่เรามีความทุกข์เราก็อยากที่จะลดทอนความทุกข์ให้มันลดลงหรือให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นการสงบใจก็เป็นวิธีอันหนึ่งวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีที่เราจะมาพัฒนาให้ความสุขของเราเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็ลดทอนความทุกข์ที่มีกับชีวิตของเราเนี่ย ลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชี้ให้เห็นก่อนว่าไปทําความสงบใจชื่อมันก็อยู่ที่สงบใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเน้นลงตรงที่ความสุขทางใจความทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราหิวข้าวแล้วเราก็มาทําความสงบใจแล้วเราจะไม่ทุกข์อันนี้ไ ม, ม่คนละประเด็นนะเพราะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องทางใจเรื่องภายนอกเรื่องทางร่างกายเราก็บริหารจัดการแบบ ภายนอกไปป่วยก็ไปหาหมอแต่ป่วยกายเราก็จะเห็นว่าบางคนก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสได้เขาไม่ป่วยใจแต่บางคนป่วยกายด้วยป่วยใจหนักกว่าอีกเพราะนั้นเรามาเริ่มศึกษาวิธีการที่เราจะบริหารจัดการจิตใจให้มันตรงจุดกันมากขึ้นที่ลมหายใจเราง่ายงาง น, นั้นวันนี้ก็มีอุปกรณ์มา ภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าซิงคิ้งโบนะก็เป็นเครื่องให้สัญญาณนันหนึ่งอันนี้ก็จะตีมันจะได้เสียงแบบนี้ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ก็เป็นสัญญาณว่าให้ลืมตาขึ้นได้อันนี้ก็เป็นการตกลงกันแบบนี้นะงนั้นก็หลับตาทำความทำความสงบอยู่เนี่ยถ้าได้ยินเสียงปุ๊บ อันนี้ก็ให้ลืมตาก่อนพักเบรกก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่อันนี้ก็เป็นข้อตกลงแล้วก็ส่วนใครที่มีโทรศัพท์ยังเปิดไว้อยู่นะก็ปิดเสียงไว้นอกจากจะปิดเสียงไว้ก็ปิดสั่นด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสาหรับเราในการทำงานแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นเครื่องขัดขวางความสงบ ในการทำความสงบใจมันจะเป็นตัวที่ทำให้ใจเราภาวาะผวาแล้วเราก็จะสงบใจได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็สร้างเหตุโดยการเอาเงื่อนไขที่มันเป็นเงื่อนไขลบๆในการทำความสงบใจออกไปก่อนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราสงบใจได้ยากเราก็ปิดเสียงซ้าปิดสั่ซ่าจะได้ไม่กังวลแล้วก็ทาความ ตกลงกับจิตใจว่าชั่วโมงนี้สองชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะฟ้าถลม่มดินทลายยังไงก็ไม่เอาใจอยู่กับมือถือนะธุราการงานมันจะมียังไงก็ให้มันหลังจากสองชั่วโมงนี้ไปแล้วโอเคเข้าสู่โหมดการที่เราจะมาหัดทำความสงบกันก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็น นอกจากจะเป็นความรู้ความจาว่าเราต้องทำยังไงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือทักษะที่เราต้องทำบ่อยๆเพราะนั้นการที่เราฝึกมันบ่อยๆฝึกทักษะอันนี้ให้ให้มันเป็นค่าทักษะในในตัวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมนถงนงึงเป็นเรื่องจาเป็นก็ไม่ได้ทำอะไรยากาวันนี้เราก็จะมาเอาใจของเราคือความตั้งใจความใส่ใจของเราเนี่ยเอาไว้ที่ลมหายใจสาหรับใครที่ เห็นลมหายใจไม่ชัดอยากจะหายใจเข้าแล้วนึกคำบริกรรมพุทธหายใจออกจะนึกคำบริกรรมว่าโทไปด้วยก็ได้ไมะนั้นก็หลับตาหลับตาหายใจลึกๆสัก2องสาครั้งดูดูว่าลมเนี่ยมันกระทบกับจมูกของเราชัดๆตรงไหนคอยสังเกตดู แล้วก็หายใจยาวๆอย่างนี้ก็ทำความรู้สึกผ่อนคลายกับตัวเองไปด้วยทีนี้พอสังเกตเห็นแล้วว่าลมมันกระทบจมูกของเราตรงไหนเนี่ยเราเอา ความใส่ใจของเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเอาความใส่ใจของเราอยู่กับสัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกเราแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมละทีนี้ทีนี้ลมมันจะเข้าลมมันจะออกก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมาชาติของของเขา เรามีหน้าที่แค่คอยเฝ้าสังเกตสัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกเราอาจจะชัดที่ปลายจมูกอาจจะชัดที่กลางจมูกหรืออาจจะชัดที่ต้นจมูกก็สังเกตดูแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยตั้งจดจ่อเอาไว้แต่สําคัญก็คือว่าไม่ต้องไปเพ่งมันนะ ถ้าเพ่งมันมากๆมันก็อาจจะปวดตาปวดศีรษะเรามีหน้าที่แค่เป็นผู้สังเกตเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นผู้ยึดผู้ยึดลมไม่ใช่เรามีหน้าที่แค่เป็นผู้ดูผู้เฝ้าดูผู้รู้แล้วถ้ามันเผลอเหลอไปทางเสียงก็ดีเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับเสียงเราก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเรา ตั้งความใส่ใจของเราเอาไว้ใหม่ที่ลมหายใจที่อยู่เฉพาะหน้าส่วนถ้ามันจะเผลอไปทางความคิดก็ช่างมันแล้วเราก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจแบบเดิมแบบนี้ ลืมตาก่อนถ้าทางที่นี่จะทำงานกันหนักเนาะเป็นคนทํางานหนักกันนะหลับตาพวกก็โอ๊ยถ้าไม่หลับก็ฟุ้งไปเรื่อยเลยเนาะทีนี้จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเมื่อสักครู่ที่เราหลับตาเนี่ยเราจะเห็นเห็นว่ามันมีความแตกต่างกับตอนเราลืมตาตอนนี้เลยใช่ไหมคือตอนที่เราหลับตาเมื่อกี้เราหนึ่งเนี่ยเราก็จะ เคียดอเคียดอยากจะทําความสงบให้มันได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าใจความรู้สึกในใจมันเบิกบานกว่านะปลอดโปร่งกว่าใช่ไหมปลอดโปร่งว่าตอนนี้เรามปนนั่งพิงดูลมอีกและอีกอันหนึ่งก็คือว่าความรู้สึกตัวของเราเนี่ยต่างกันต่างกันตรงที่ว่าตอนเนี้ยลืมตาไม่ได้แน่นอนมันต้องเต็มที่แหละความรู้สึกตัวมันต้องเต็มที่แน่นอนแต่พอหลับตาเมื่อกี้พูดเนี่ยความรู้สึกมันซึ้งซึ้งไปแล้ว บงคนทํางานหนักก็อยากจะพักผ่อนแหละพอหลับตาก็ได้จังหวะแล้วมันขอหนี่สักหน่อยแล้วกันนะอะไรย่างนี้ทีนี้ข้อสําคัญนะระหว่างหลับตากับลืมตาตอนเนี้ให้ความรู้สึกตัวเรามันชัดเท่าเท่ากันคือหลับตาแล้วอยากให้มันเสื่องไปเสื่อมเสื่อมือมไปแล้วก็หลับไปอย่างไม่เอาเพราะว่าอันนี้มันคือการงานอีกอันหนึ่งที่เราทํา ไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วโมงพักผ่อนการทําสมาธิคือไม่ใช่ชั่วโมงพักผ่อนนะเขาเรียกว่าเป็นการงานภายในจิตใจเป็นการทำงานเกี่ยวกับจิตใจแตส่ส่วนมากเนี่ยเวลาเราที่ที่เราหลับตาปุ๊บเนี่ยสัญชาตญาณคนคือมันจะหลับไงแต่ทีนี้เราไม่หลับเราพยายามให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันตื่นชัดตอนลืมตาอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทาใจว่าหลับตาแล้วเราจะพักผ่อน แต่เราหลับตาแล้วเราทันใจว่าเราจะทำการงานของจิตใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธ ท, ที่อยู่กับลมหายใจโอเคนะงั้นลองใหม่หลับตาแล้วก็หายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งสองครั้งเราจะได้สัมผัสกับลมได้ชัดเจนแล้วก็เอาความใส่ใจของเราเนี่ยใส่ลงเวทที่ลมหายใจแต่ก็ไม่ได้ขึงเครียดกับมันนะ เราทำแบบเหมือนเรานั่งดูโทรทัศน์นั่งบนโซฟาอยู่ดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยก็สบายสบายแต่เราก็ไม่ได้จมอยู่กับตัวโทรทัศน์ใช่ไหมเราก็ดูโทรทัศน์นั่นแหละสบายสบายไปลมหายใจเรามันก็เหมือนโทรทัศน์อันหนึ่งที่เรากำลังคอยเฝ้าดูดแล้วก็ไม่ต้องไป คิดว่าเราเผลอไม่ได้ไม่ต้องไปทำขนาดนั้นเผลอเป็นเรื่องปกติเผลอแล้วก็แค่ว่าตั้งใจของเราเอาไวห้หมยแค่นั้นเองไม่ต้องไปหดหดกับมันไม่ต้องไปกะเกณ์คาดหวังอะไรกับมันมากมันก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละเวลาที่เด็กๆหัดหัดที่จะยืนหัดที่จะเดินเขาก็ยืนแล้วก็ล้มยืนแล้วก็ล้มเป็นปกตินั่นแหละ แต่เขาก็ไม่ได้หงดหิด ต, ต่าง ก, กันกับผู้ใหญ่ที่เคยเดินคล่องอะไรอย่างนี้เนะ่ะแล้วพอประสบอุบัติเหตุต้องมาหัดทันกายภาพเนี่ยมันไม่เหมือนเด็กๆนะอารมณ์ในใจมันก็หดหิดมากเดินไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างนี้เป็ตน้นเพราะฉะนั้นเด็กหัดเดินมันไม่ทุกแต่ผู้ใหญ่หัดเดินมันทุกเพราะอะไรเพราะว่า มันมีความคาดหวังกับตัวเองมีความกะเกณกับตัวเองมากจนเกินความพอดีอันนี้เราก็ไม่ต้องไปกะเกณอะไรกับมันเราก็แค่ทำเหตุให้มันถูกต้องอยู่เรื่อยๆก็เป็นพอแต่สำคัญคือความใส่ใจนะความใส่ใจความสนใจของเราเนี่ยมันต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจจริงๆ เพราะว่าเวลาที่มันอยู่อย่างต่อเนื่องไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะขโมยขโมยหนีไปในหลายๆทางอย่างเช่นความคิดเป็นต้นแหละหรือไม่ก็อาจจะอุว่ววันนี้แอหนาวเหลือเกินหรือไม่ก็ท่านั่งกับพื้นนี่บางคนก็ปวดหลังปวดเอวเนี่ยมันก็มีเรื่องให้ขโมยหนีออกไปจากการงานที่เรากำลังทำอยู่นตอนนี้ แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะขโมยหนีเพราะว่ามันเป็นความเคยชินความคุ้นชินในแบบเก่าๆที่เราเคยชินมาอันนี้เรากำลังฝึกใหม่ฝึกทักษะของใจอันใหม่มันแน่นอนแหละมันต้องค้านกับของเก่าพอค้านกันอย่างนี้เนี่ยมันก็อารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับเด็กหัดเดินน่แหละฝึกอะไรใหม่ๆมันก็ต้องยากเป็นเรื่องปกติ หรือว่าทำได้ไม่ดีตามที่เราคิดไว้เป็นเรื่องปกติแล้วพอพอที่มันจะนิ่งๆเริ่มที่จะคิดน้อยลงสิ่งที่มันจะขโมยใจของเราไปก็คือความเฉยๆความที่มันนิ่งๆเนี่ยในความที่มันนิ่งๆเฉยๆเนี่ยเราก็อย่าไปยินดีกับมันเราก็อย่าไปใส่ใจมัน มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนเสียงเหมือนเสียงเหมือนความคิดหรือเหมือนสัมผัส ท, ทางร่างกายของเราเราก็รู้รู้ได้แต่เราไม่ต้องไปใส่ใจการ ง, งานเรามีอันเดียวตอนนี้คือความสนใจที่อยู่กับพุทโธ ท, ที่อยู่กับคาบริกรรมพุทโธอันนี้หรือลมหายใจให้เราอยู่กับตรงนี้ให้ได้อยู่เรื่อย ดูไปบ่อย เลื่นตาก่อนนะคนที่กําลังเครื่องติดนี่ก็กำลังขออาภัยด้วยนะมันก็มีทั้งคนเครื่องติดแบบติดแบบจริงๆนะอีกคนหนึ่งก็เครื่องติดแบบอืมกําลังหลับสบายดีเหกิน อ, อันนี้ก็ถือว่าให้โอกาสอี ก, กรอบหนึ่งคือมันมันมันอาจจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่ไม่ชินไม่ชินแล้วก็ประจวบกับหลายๆอย่างนะบางคน งานเยอะมันก็เหนื่อยหัวสมองมันก็ลา้าเวลาหลับตาเนี่ยก็อยากจะพักผ่อนกันเลยเดี๋ยวเราค่อยไปพักผ่อนที่บ้านดีกว่าเราพยายามเอาสองอันเนี้ยสองชั่วโมงเนี้ยให้มันได้ทักษะดีๆกลับไปใช้ที่บ้านจะดีเพราะฉะนั้นการที่เราหลับตาแล้วเรามีสติคือความรู้สึกตัวอย่างเนี้ยที่มันยังแจ่มชัดอยู่ได้เนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นพื้นฐานนะ มันก็นักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานใช่ไหมมีนิยามแล้วก็มีสูตรออกมาใช้แล้วก็เปลี่ยนตัวแปรนู้นตัวแปรนี้ตามเงื่อนไขต่างๆไปใช่ไหมหรือไม่ก็เหมือนนักเคมีหรือว่ามันก็จะมีสารอยู่ตัวนูน้นตัวนี้ที่มันเบสเป็นเบสของสารตั้งต้นอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยไอการที่เรามีสติที่มันแจ่มชัดอยู่กับตัวเองคอยเห็นลมหายใจได้เนี่ยมันก็พัฒนาไปเห็นกายเห็นใจ เห็นใจของตัวเราได้บ่อยๆซึ่งอันนี้มันเป็นเบสเป็นสารตั้งต้นในการที่เราจะเอามาใช้แก้ทุกแก้ทุกใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เราคอยมีสติที่เราฝึกให้มันเท่าทันความเผลออย่างเงี้ยเราก็จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นที่เราจะเห็นจิตใจของเราได้ดีขึ้นบ่อยขึ้นพอเราเห็นจิตใจของเราได้บ่อยขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้ คอยเฝ้าคอยศึกษาพฤติกรรมของใจของเราจริงๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นว่ารู้ว่ามันมีรู้ว่ามันเป็นของมีอยู่แต่จับมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะนั้นการที่เราจะควบคุมมันได้ให้มันอยู่ในทางที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละคอยจับให้มันมาอยู่ในสิ่งหรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เราจะ เห็นมันได้คุยกับมันได้แล้วก็บอกสอนมันได้แต่ถ้ามันอยู่ในสภาวะตามที่มันวิ่งไปวิ่งมาตามปกติอ่ะมันก็จะยากเหมือนเราลิงเด็กอ่ะลิงเด็กที่วิ่งตลอดทั้งวันเลยแรงเยอะจะให้กินข้าวก็ต้องวิ่งแล้วก็ตามไปป้อนข้าวอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเะนั้นก็จับให้มันนั่งอยู่ในรถเด็กสักคันหนึ่งงมันมันไม่วิ่งใช่ไหแล้วป้อนข้าวมันได้ง่ายหน่อยฉันได้ฉันนั้น เวลาใจที่มันวิ่งวุ่นไปเนี่ยผลของมันก็คือว่ามันก็ไปรับเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมาเก็บไว้ในใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอามันออกเนี่ยมันก็ออกเอาออกยากกว่าจะจับตัวได้กว่าจะคว้าเอาอารมณ์ให้มันออกไปได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นการที่เราจับมันให้ได้เสียก่อนรู้จักมันจับมันให้มันได้เสียก่อนจึงเป็นเรื่องจาเป็นแต่การที่จะจับได้เนี่ย ความใส่ใจความตั้งใจของเราต้องมีแล้วก็ตัวที่จะเป็นเครื่องมือในการจับมันก็คือสติเราเลยแหละถ้าเราสติเราแจ่มชัดรู้ชัดไม่เซื่องซึมไม่แช่เชือนเราจะจับมันได้แน่นอนเราะนั้นเครื่องมือของเราเนี่ยเราต้องเป็นเครื่องมือที่ดีถ้าเราเป็นเหมือนมืนแห่ถ้าแหรเรามันมีรูเนี่ย ปลาตัวไหนที่มันเล็กกว่ารูของเรานะมันก็ไปได้ไหเพราะฉะนั้นอนการที่เรามีสติที่มันแช์เชื่อเลือนหลงเนี่ยมันไม่แจ่มชัดเนี่ยมันทำให้ปลาคือสติของเราเนี่ยมันหลุดออกไปทางช่องนั้นแหละเพราะฉะนั้นพยายามนะแต่ไม่ต้องไปเครียดกับมันนะทำสบายๆทำอยู่สองอย่างทำเล่นๆแล้วก็ทำจริงจังทำเป็นไหมทำเล่นๆกับทจริงจังมันดูขัดขัดแย้งกันนิดหน่อยนะ แต่เล่นๆหมายความว่าเราไม่เครียดไม่ขึงเคียดกับมันทํ Space สาสบายๆแต่ทําจริงๆก็คือไม่ว่ามันจะเผลอกี่ครั้งเราก็ไม่หงุดหงิดกับมันเราก็ดึงมันกลับมาตลอดคือไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่เลิกมันกลางคันอันนี้คือเราทําจริงจังแต่การที่เราทําจริงจังเนี่ยบางทีมันจริงจังจนเครียดเราก็ไม่อยากให้มันเครียดเนี่ยเราก็ต้องทําเล่นๆเพราะฉะนั้นมันจริงายเป็นแบบทําเล่นๆแบบจริงจัง งานงานเราก็เหมือนกันนะานาปกติทั่วไปเราอะ่ะเราก็ควรจะทําเล่นๆแต่แบบจริงจังเจ้าหนายจะได้ไม่เห็นว่าจะได้เจ้าหน้ายจะได้เห็นว่าเดอลูกน้องเราเนี่ยทํางานแล้วก็สดใสยิ้มเป็นเยี้ยแบบหน้าหดลงมาเหลือแบบเท่านี้มันแสดงว่าโอ้ยที่ทํางานนี่ไม่น่าทํางานเลยมันไม่สดใสไม่สดชื่นนะแต่ถ้าเราทําเล่นๆเป็นเนี่ยมันก็มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเราได้นะเพราะนั้นบรรยากาศในที่ทํางานก็สดชื่นขึ้น ดังนั้นทําเล่นๆนะแล้วก็ทําจริงจังสําคัญก็คือว่าสติความรู้สึกตัวต้องให้มันจําชัดเข้าไว้ถ้ามันเริ่มที่จะเสื่องซึมแชร์เชียนไปเนี่ยเราก็ดึงลมหายใจสักนิดหนึ่งหายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยสติความจําชัดความรู้ชัดเรามันก็จะกระเตื้องขึ้นมาแหละเราก็กระเตือขึ้นมาแล้วเราก็พยายามล็อกความรู้สึกของเราไว้ว่า เออมันชัดประมาณนี้แหละที่มันชัดอยู่อย่างนี้นะตับตาต้องให้มันชัดใกล้เคียงกับลืมตานะเพราะฉะนั้น ท, ทาความใส่สมองเอาไว้เลยว่าหลับตาแล้วเราจะไม่พักผ่อนใชไมมันไม่ใช่งานพักผ่อนแต่เป็นการงานทางด้านจิตใจที่เราจะคอยเฝ้าสังเกตว่าใจเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงมันชอบไปคิดเรื่องอะไรมันชอบเหลอไปทางไหน โอเคนะให้โอกาสไปรอบที่สองแล้วนะไฟแนลหมดโปรโมโชั่นแล้วนะโอเคงั้นก็หลับตา สัญญาณเตือนก็คือว่ามันจะเริ่มคิดน้อยสบายขึ้นอันนั้นก็ให้ระวังแต่ไม่ใช่ไปตกอกตกใจกับมันนะคิดน้อยลงอดีแล้วสบายอดีแล้วแต่อย่าให้ความใส่ใจของเราเนี่ยมันมันโดนขมโมยไปด้วยไอ้สองตัวนี้สองตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นและไม่ส่งใจงไป ถ้าเกิดว่าคอยดูลมหายใจไปหายใจไปลมมันละเอียดลงไปก็ปล่อยมันไปลมมันจะน้อยหรือไม่เห็นลมเลยก็ช่างหัวมันไปเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราใช้ลมหายใจก็จริงเราใช้คาบริกรร ม, รรรมพุโทโธก็จริงแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือได้ความรู้สึกตัวที่มันรู้เท่าทันจิตใจของเรา รู้เท่าทันความคิดของเรานลยไ่อย่างนั้นถ้าเรามีสติที่มันแจ่มชัดไม่แช่เชือนแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจของเราได้ได้อย่างดีเนี่ยลมหายใจมันจะหายไปเลยจับไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้ตัวที่เราต้องการแล้วก็คือสติที่แจ่มชัดสติที่รู้เท่าทันสติที่มันทําให้สภาวะจิตใจของเราเนี่ย หลีกไกลออกจากโลภโทสะโมหะราคะเป็นจิตใจที่มันเบิกบานเบาสบายผ่องใสเ ย, ยือกเย็น ใจของเรามันก็มีฟังก์ชันการทำงานอยู่ไม่มากหรอกมันมีหน้าที่อยู่แค่สี่อย่างรับจำคิดรู้สี่อย่างรับจำคิดแล้วก็รู้ฟังก์ชันการทำงานมันก็มีแค่นี้แต่รับอะไรจำอะไรคิดอะไรรู้อะไรก็คือรับจำคิดรู้ ซึ่งอารมณ์อารมณ์โกรธเกลียดชอบใจไม่พอใจอะไรเหล่านี้เป็น ต, ต้นนั่นแหละดีใจเสียใจแล้วอารมณ์เนี่ยมันมาจากทางไหนเล้บางมันก็มาจากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราลิ้มรสสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราดมสิ่งที่เราคิด ไม่ว่าเราจะดูฟังกินดมสัมผัสหรือคิดอะไรก็แล้วแต่นมันก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์อยู่ในใจของเราเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างบางคนเขามันด่าเราว่าเรานินทาเราอย่างเงี้ยเราได้ยินเสียงทางหูมันก็เปลี่ยนไปเป็น อารมณ์ไม่พอใจอยู่ในจิตใจของเราอย่างใครมาเยืนยอสันเสริญเราเสียงตัวนั้นมันก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ ช, ชื่นชื่นยินดีพอใจที่ใจของเราเหมือนกันอย่างวันนี้เราอาจจะไปกินมื้อเที่ยงที่ไม่ค่อยพอใจไม่ถูกปากเนี่ย มีเที่ยงมันก็สิ่งที่เรากินมันก็ไม่ได้สร้างความประทับใจใช่ไหมก็เป็นอารมณ์อาจจะไม่ได้แบบไม่พอใจหัวฟาดหัวเวียงแต่มันก็เป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจเล็กๆเกิดขึ้นในจิตใจของเราเอาวันนี้มีตลาดนัดอาจจะไปเดินช็อปปิ้งได้ของถูกใจมันก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ชอบใจดีใจอยู่ในใจของเรา ทีนี้ผลของความชอบใจความไม่ชอบใจในอารมณ์เนี่ยมันก็เรียกว่าความพอมันไม่ชอบใจใช่ไหมอารมณ์ไม่ชอบใจเมื่อเราเสพไปแล้วเนี่ยผลที่ได้มันก็เรียกว่าความทุกข์แต่ถ้ามันเป็นอารมณ์ที่เราชอบใจเราก็เรียกมันว่าความสุขแต่อารมณ์ที่มันชอบใจกับไม่ชอบใจเนี่ย ที่มันเป็นของดีของมีประโยชน์กับของไม่ดีของไม่มีประโยชน์นี่มันมันมันคนละอันกันนะไม่ใช่ว่าของดีมีประโยชน์แล้วเราจะชอบใจทุกครั้งไปไม่ใช่เฉะนั้นของที่มันดีมีประโยชน์กับของที่มันถูกใจไม่ถูกใจก็แยกจากกันคนละแบบแต่ความถูกใจถูกใจ กับความที่มันไม่ถูกใจเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นความสุขความทุกข์ของเราแล้วคนเราเนี่ก็ต้องการส่วนมากเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่มันก็เปลี่ยนไปเป็นยอดสุดของความปรารถนาในความเป็นคนก็คือความสุขใช่แล้วก็ไม่ต้องการความทุกข์แค่นั้นเองไม่ว่าเราจะเป็นาชาวนาเกษตรกร ก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนค้าขายอย่างเงี้ยเาก็ต้องการนอกจากเงินทองเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านแต่สุดท้ายจริงๆคือเขาก็ต้องการความสุขแล้วก็ไม่ต้องการความทุกข์หรือแม้แต่เราเราท่านๆเนี่ยที่ทำงานในองค์กรไม่ได้ค้าขาย ไม่ได้ทําเกษตรกรรมไม่ได้เป็นอยู่ในโรงงานแต่เราก็เหมือนกันตรงที่ว่าเราก็ต้องการความสุขแล้วก็ไม่ต้องการความทุกข์เหมือนกันเราะฉะนั้นความพื้นฐานของคนมันเหมือนกันก็คือต้องการความสุขแล้วก็ไม่ต้องการความทุกข์จะโดยมากและบางทีเราก็จะดนโดนลอหลอกอ่ะล่อหลอกไปอยู่ที่เงินบ้างสิ่งของบ้าง ว่ า, เ, าเราต้องการอันนี้เราต้องการอันนี้ต้องการเงินมากๆต้องการของชิ้นนั้นชิ้นนี้แต่การที่เราได้มาซึ่งสิ่งของที่เราชอบมันก็ก็คือเราต้องการความสุขนั่นแหละที่พูดอย่างนี้คือบางคนอาจจะไม่ได้มองให้มันละเอียดก็ชี้แจงซะหน่อยหนึ่งว่ายอดสุดปรารถนาของ คนเราเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วแต่ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่มันมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายพื้นฐานของคนเราคือสุขและทุกข์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ไม่โดนตีกรอบมากจนเกินไปฟังก็ต้องฟังไปนะแต่สาคัญก็คือว่าสติของเราเนี่ย ต้องจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจให้ได้อยู่กับคำบริกรรมให้ได้มันอาจจะดูเหมือนกับทำยากแต่ถ้าเรากินข้าวแล้วก็นั่งเมาส์กับเพื่อนได้ไถ Facebook ได้ไปด้วยตอนกินข้าวเนี่ยเราต้องทำได้แน่นอนและได้พูดมาแล้วว่า ใจของเราเนี่ยมันหน้าที่ก็คือรับจาคิดรู้ซึ่งอารมณ์ใช่ไหมทีนี้ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคนเราเนี่ยหิวแล้วก็ไปหาอะไรกินเติมเติมพลังงานเข้าไปในร่างกายจิตใจเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปว่ามันเกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์รับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ก็คืออาหารของใจนี่แหละ อารมณ์มันก็เข้ามาได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายความคิดนึกปลงแต่งอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่แต่เราเนี่ยยังเลือกนะพรช่วงนี้ฉันลดน้ําหนักฉันลดไขมันลงลดแป้งลงดังนั้นฉันเพิ่มผักขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเรายังมีการเลือกให้กับตัวเราเองให้กับร่างกายของเราเองแต่ใจอ่ะ ใจมันก็ต้องการอาหารเหมือนกันนะแต่เราเคยเลือกอาหารที่มันดีให้กับจิตใจเราหรือเปล่าอาหารของร่างกายที่ดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงลเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่อาหารที่ดีกับใจเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันคืออะไรบ้างอาหารที่ดีของร่างกายเนี่ยกินแล้วมันก็ทาให้ร่างกายมันแข็งแรงใช่ แข็งแรงไม่ป่วยไข้มีวิตามินมีแร่ธาตุมีครบทั่วนะ่ะอาหารของใจก็ต้องพูดง่ายคือมันก็เหมือนอาหารกายอะที่มันจะไปปรับสภาพให้เราร่างกายเราแข็งแรงขึ้นใช่แล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอาหารใจก็เหมือนกันถ้าเรากินอาหารใจอันไหนที่มันดีมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้น อาหารกายไม่ดีเป็นไงเมื่อกินแล้วก็ท้องเสียเดีย๋ยวถ้าใครไปกินยาค่ายากก็ตายเรียบร้อยอาหารใจก็เหมือนกันถ้ากินแล้วมันไม่ดีมันก็ฟองออกมาทั้งจิตใจนี่นจิตใจของเรามันก็จะเร่าร้อนขุ่นมัวหิวสามแบบสามแบบง่ายๆที่มันจะเป็นการบ่งบอกว่าอาหารที่เรากินไปเนี่ยมันดีกับใจหรือเปล่า ถ้ามันไม่ดีเนะี่ยมันก็จะมีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสามอย่างอนี้ปนกันนัคือร้อนอย่างเช่นฟังคณินทาเนี่ยมันก็เป็นอาหารใจอย่างเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็โอ้โหใจเราก็ดิ้นพลาดแล้วโห้ยดินทาเรากรดเครืองขึ้นมาในใจอย่างนี้หรือไม่ก็ทําให้มันหิวไม่พอสักทีหนึ่ง หมอนคนพวกขาดความรักไง น, นะหาความรักถมเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มอย่างนี้เป็นต้นหรือไปดูซีรีส์ติดซีรีส์่งี้ดูตอนหนึ่งอ๋อไม่พอแล้วแต่ก็สี่ทุ่มหาทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานเดขอต่ออีกสักตอนคืออารมณ์ที่เราเสพเข้าไปตอนนี้มันก็ไปกระตุ้นทำให้ใจเรามันยังหิวในอารมณ์อยู่ติดเบรกไม่ได้ ต้องกินไปเรื่อยๆอีกอันนึงอาจจะดูยากหน่อยก็คือมันๆทาให้คุณสมบัติคือลดทอนความสามารถในการเข้าใจตามความเป็นจริงคือลดทอนความฉลาดของใจนี่และอาหารใจที่ดีมันก็ตรงข้ามกันก็คือจะทําให้ใจของเราเนี่ยไม่ร้อนไม่หิวแล้วก็เป็นใจที่มันฉลาดแล้วก็ มันจะเป็นใจที่มีสภาวะที่มันเบิกบานช่าชื่นผ่องใสอันนี้ก็คืออารมณ์ของอาหารใจที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดีกับใจก็คือมันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นถ้าเราหาอาหารใจดีๆให้ใจแล้วเนี่ยใจเราก็จะมีสภาวะที่สงบไม่หิวแล้วก็ไม่ร้อน มันจะเชื่อมชื่นเบิกบานได้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือมันจะเป็นใจที่ฉลาดรอบรู้ในเรื่องของใจแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงด้วยแต่การที่เราจะรู้จักว่าอะไรเป็นอาหารใจที่ดีอาหารใจที่ไม่ดีเป็นยังไงเราก็ต้องสัมผัสมันด้วยใจของเราเนี่แหละ ฟังอย่างเดียวมันยังเข้าไม่ถึงใจแต่ถ้าเราสัมผัสมันด้วยด้วยใจของเราเองเนี่ยมันแน่นอนเน่ยเหมือนคนโดนไฟช็อตเนี่ยข่าวหน้าเนี่ยให้ใครมาอธิบายยังไงเนี่ยคนที่ไม่เคยโดนไฟช็อตมันก็ได้แต่จินตนาการนะว่ามันเป็นงั้นอย่าง น, น, างนี้แต่คนที่มันโดนซะแล้วเนี่ยพูดคำเดียวรู้เรื่องสัมผัสได้ ถ้ามันซึ่งเหนื่อยเนื่อยก็ดึงลมหายใจสัหน่อยหนึ่งนะดึงลมหายใจยาวๆสักทีหนึ่งพยังทำสติให้มันแจ่มชัดขึ้นมาส่วนมากมันก็จะเผลอไปเลหลายๆอย่างเผลอไปกับความเนื่อยเนื่อยแล้วก็เผลอไปกับความคิด เราก็คอยฝึกทักษะที่เราจะลดถอนความเผลอกลับมาอยู่ที่สติที่ลมหายใจสติที่อยู่กับคันบริกรรมพุทโธให้ได้บ่อยๆอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับเรากำลังสร้างสร้างบ้านให้ใจเราด้วยนะเป็นการสร้างบ้านหลังใหม่หลังที่เรียกว่าลมหายใจหลังที่เรียกว่าพุทโธเป็นบ้านหลังใหม่ที่ เราจะทาความเคยชินทาความคุ้นชินกับจิตใจของเราให้มันกลับมาอยู่ตรงนี้ให้ได้บ่อยๆแรกๆมันอาจจะยังไม่ชินแต่ถ้ามันทำไปทําไปแล้วมันมีความชินแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้อยู่ได้เรื่อยๆบ่อยๆจนผลมันปรากฏว่าเออเวลาที่อยู่กับพุทโทธได้บ่อยๆตอนที่อยู่กับลมหายใจได้บ่อยๆใจมันสบายอย่างไง พอมันสบายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านเน่ยการที่เราอยู่นอกบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสบายเพราะอะไรลมเอ่ยแดดเอ่ยฝนเอ่ยมแมลงต่างๆหรือไม่ก็ขโมยกโจรคอยทําร้ายทำลายโอ้ยมันสารพัดสารพแต่การที่เรามาอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะลมไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดเนยมันก็ ทำอันตรายเราได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเราก็มีที่มุมที่บังที่ป้องกันความทุก์จากเลือยุงลมแดดทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ได้พักด้วยไม่ต้องตะเวนเร่ร่อนไปไหนความสุขของคนมีบ้านถ้าคนเคยเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยก็จะเข้าใจดีว่าการมีบ้านอยู่มันดีมากอยากนอนก็นอนสบาย ไม่ต้องมากางังวลนอนข้างถนนเนี่ยใครใครก็มองใช่ไหมเป็นเป้าสายตาคนเวลาอยู่บ้านเราอยากจะนอนตรงไหนมันก็บ้านเรานอนได้ร้อนหนาวแล้วก็มีเครื่องบำบัดร้อนบำบัดหนาวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนมีบ้านมันดีกว่าแน่นอนแต่ใจที่มันไม่มีบ้านก็คล้ายๆกันนะ มันก็วิ่งวุ่นไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไม่มีหลักไม่มีที่ให้พักไม่มีที่ให้ยึดแต่า ก, การที่เรามีพุโทโธหรือลมหายใจเป็นบ้านหลังใหม่ให้ใจมันจะได้หลบได้พักได้แล้วก็เป็นที่พักที่มันดีอ่ะที่พักที่ดีให้กับจิตใจของเราเราก็จะได้ มีเครื่องอยู่ที่ดีๆให้ใจมีที่ที่เราจะได้เสพอารมณ์ดีๆเสพอาหารดีๆให้ใจเป็นที่ที่จะคอยบำบัดให้ใจเนี่ยมีสภาพที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นใจที่แข็งแรงเท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายเป็นใจที่แข็งแรงที่จะมีศักยภาพที่จะต่อต้านความทุกข์ แล้วก็บริหารจัดการความสุขความทุกข์ได้ดีขึ้นภาพรวมเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขโดยรวมเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์โดยรวมลดลงพอความทุกข์ลดลงความสุขไม่ต้องเพิ่มขึ้นก็ได้ความสุขโดยรวมมันก็เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วขอแค่เราลดความทุกข์ลงได้เนี่ยมันก็แจ่มเนี่ย อย่างหนึ่งก็คือกัน ท, ที่เรารู้จักที่จะลดทอนความทุกข์เป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าวิธีหาความสุขใครๆก็พอมีแก่ความสามารถของตนของตนที่จะหาความสุขได้ใช่ไหมแต่พอเจอเรื่องที่มันกระทบใจทุกร้อนกับใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีวิธีที่ดีที่จะบริหารจัดการกับความทุกข์ใจที่มันเกิดขึ้น ดนอันนี้ก็เป็นเส้นทางอันหนึ่งเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสดแสดงเอาไว้ให้แล้วว่าถ้าเราดำเนินบนทางเส้นนี้ไปเนี่ยศักยภาพในการต่อต้านความทุกข์บริหารจัดการความทุกข์ของเราเนี่ยมันจะทําได้ดีขึ้นลดทอนความทุกข์ได้ดีขึ้นจนสุดท้ายปลายทางปักธงที่พระพุทธเจ้าปักเอาไว้ให้ก็คือว่าจะเป็นผู้ที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ที่สุดแห่งทุก์ก็เปรียบเทียบได้กับเหมือนเหมือนกับว่าเราออกนอกผืนแผ่นดินไปออกทะเลใช่ไหมเราก็ไม่เจอแผ่นดินละเพราะนั้นไอ้ที่สุดทุก์เนี่ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเลยขอบของความทุกข์ออกไปไอ้ตรงนั้นมันก็ไม่มีไม่มีความทุกข์อีกท่นก็เปรียบเทียบไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทา ได้อย่างดีเดินตามทางเส้นนี้ได้อย่างดีได้อย่างแน่วแน่ไม่ถอยกลับไม่แวะออกนอกทางเราก็จะได้ผลตอบแทนของการเดินบนเส้นทางนี้ก็คือว่าศักยภาพในการบริหารจัด ก, การความทุกข์ของเราดีขึ้นลดทอนความทุกข์ในชีวิตของเราได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าใครทําได้สุดปลายทางจริงๆก็จะเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนก็ มีทุกน้อยหรือไม่มีทุกเลยเป็นผล ล, ลืมตาก่อนก็ให้พักสักสิบนาทีก่อนเนาะสิบนาทีสิบห้านาทีไปยืดเส้นยืดสายก่อนนะแล้วก็กลับมาฟังบรรยายธรรมแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆถ้ามีปัญหาก็ค่อยค่อยถามปัญหาอีกทีน